หรือเหนือกว่าคู่แข่งคนสําคัญมาช้านานแต่ความกลัวขาดงานของฉันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายดีขึ้นหลังจากขึ้นมานอนหลับไปงีบหนึ่งเตื่นขึ้นมายิ่งปวดหัวและตัวร้อนกว่าเดิมฉันถอนใจหนักๆลุกมาเข้าห้องน้ำด้วยความเครียดไม่อยากระหนักประจักษ์ซึ้งในความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายยามนี้เอาเสีเลย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 ฉันยังไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าลมหายใจมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นไข่งวดนี้จึงไม่ควรให้เสียเที่ยวเปล่าฉันตั้งใจว่าให้ทรมานอย่างไรก็จะลองติดตามรู้ลมไปเรื่อยๆดูซิว่าจะเก็บตกหรือได้เกรดความรู้สายสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจกับกายที่ทรงไข่อยู่มากน้อยเพียงใด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 กายเรากำลังอยู่ในสภาพลำบากหน้าอานาถนักอยากหายไข้พ้นสภาพทรมานเสเดี๋ยวนี้จะได้ทำอะไรตามปกติอย่างที่ต้องการเมื่อคาตอบเป็นที่แน่ชัดว่าใจเป็นทุก์ตามกายเพราะวิธีคิดแบบขาดสติฉันก็เปลี่ยนมุมมองเสใหม่เลิกคิดเชื่อว่าที่กำลังแสลงที่กำลังร้อนที่กำลังกระสับกระส่ายอยู่นั้น